บทที่6จะบริหารเวลาอย่างไรในบทแร ก, แรกเราได้พิจารณาการถึงเรื่องนิยามความสําคัญผลดีเป้าหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเวลาไปแล้วผมหวังว่าผู้อ่านคงจะได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารเวลาและเข้าใจกรอบความคิดในเรื่องการบริหารชีวิตระดับหนึ่งและหลายท่านอาจจะมีคําถามผุดขึ้นมาในใจว่าแล้วเราจะบริหารเวลาอย่างไร เมื่อผมได้พิจารณาถึงคำตอบของคำถามนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนผมได้ข้อสรุปแนวทางหลักในการบริหารเวลาและบริหารชีวิตซึ่งสามารถจัดเป็นลำดับขั้นตอนได้ดังนี้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีคนที่เคยขึ้นภูกระดึงได้มาเล่าให้ผมฟังว่าการปีนขึ้นไปใหถึงยอดเขาหรือที่เรียกว่าหลังแปนั้นเป็นงานที่ยากลาบากอย่างถึงที่สุดงานหนึ่งเลยทีเดียว เขาต้องใช้ความอดทนชนิดที่ต้องกัดฟันต่อความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อขาหลังจากเวลาผ่านไปสามชั่วโมงซึ่งพักบ้างเดินบ้างและเหลืออีกเพียงอึดใจเดียวก็จะถึงจุดหมายแล้วนั้นขาทั้งสองข้างก็ถูกรีดจนแทบจะหมดเรียวแรงจนบางช่วงถึงต้องใช้วิธีการคลานขึ้นบันไดไปก็มีแม้จะต้องทุกข์ยากลาบากอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดจะล่าถอยหรือหันหลังกลับเดินลงเขาไป พวกเขามีเป้าหมายสูงสุดที่จะไปให้ถึงเพื่อจะได้ชื่นชมกับความงามของป่าไม้ธรรมชาติบนภูเขาจะได้ถ่ายรูปที่ผาลมศักอัน ง, งดงามและจะได้สัมผัสกับไอหมอกเย็นเยือยือกยามเช้าขณะเฝ้ามองดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าในสายหมอกเขารู้ว่าจะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ก็ต่อเมื่อเขาพาตัวขึ้นไปถึงหลังแปลแล้วเท่านั้นเขาจึงไม่สามารถจะท้ท้อใจจนเลิกราได้ แต่ต้องทนยอมกัดฟันสู้กับความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้าอย่างถึงที่สุดเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ในที่สุดเขาเล่าเคล็ดลับให้ผมฟังว่านอกจากจะมีเป้าหมายสูงสุดบนหลังแฝดที่คอยกระตุ้นให้เกิดกําลังใจแล้วเขายังตั้งเป้าหมายย่อยๆระหว่างทางทีละขั้นด้วยว่าก่อนอื่นจะต้องพิชิตสัมแฮกซึ่งสูงชันเกือบเก้าสิบองศาให้ได้เสียก่อนจากนั้นจะได้พักนดคลายกล้ามเนื้อขา และดื่มน้ำอัดลมให้ชื่นใจแล้วจึงค่อยมุ่งหน้าขึ้นสู่ซัมต่อต่อไปทีละซัมจนถึงหลังแฝดการตั้งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆเช่นนี้ช่วยให้เขาเกิดแรงกระตุ้นเกิดกำลังใจเกิดสมาธิเกิดแรงฮึดที่จะมุ่งมั่นบากบั่นพิชิตเป้าหมายย่อยๆซึ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั้นให้สำเร็จทีละเป้าหมายจนไปถึงจุดสูงสุดแห่งเป้าหมายในที่สุดก้าวแรกที่เหยียบลงไปบนหลังแปดนั้น คือย่างก้าวแห่งความภาคภูมิใจในความสําเร็จที่ได้มาจากความภาคเพลินอดทนและหยาดเหงื่อนับร้อยพันที่สูญเสียไประหว่างทางอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพอัน ง, งดงามที่อยู่เบื้องหน้าอีกทั้งจะได้พบได้สัมผัสต่อไปย่อมเป็นรางวัลแห่งความสําเร็จที่แท้จริงผมอยากจะเปลียบเส้นทางชีวิตของเราเหมือนการเดินขึ้นเขาจุดหมายสูงสุดเบื้องบนที่เราวางไว้คือเป้าหมายของชีวิตที่เราอยากจะเป็นที่เราอยากจะทํา ซึ่งก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคขวางหนามเพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมายนั้นแต่ระหว่างทางเราก็มีเป้าหมายย่อยๆให้เราจดจ่อเป็นเป้าหมายปลีกย่อยระยะสั้นที่สอดคล้องประสานต่อเติมเป็นเป้าหมายในระยะยาวในชีวิตของเราสำเร็จตามความมุ่งหวังเป้าหมายย่อยๆเหล่านี้เองที่เปรียบได้กับจุดพักของซ้ำต่างๆบนทางขึ้นภูกระดึง ช่วยให้เราเกิดแรงกระตุ้นภายในใจเกิดกำลังใจเกิดแรงฮึดที่จะพาตัวก้าวผ่านเป้าหมายย่อยๆเหล่านั้นทีละเป้าหมายจนกว่าจะไปถึงเส้นชัยแห่งเป้าหมายใหญ่ในเบื้องปลายณจุดนั้นคือจุดสูนรวมแห่งความสุขใจความอิ่มเอมใจและความภาคภูมิใจซึ่งเป็นรางวัลแห่งชีวิตที่แท้จริงการตั้งเป้าหมายระยะยาว เริ่มต้นด้วยการสำรวจดูว่าเรามีความสนใจในด้านใดเป็นพิเศษชอบเรียนวิชาด้านคณนนิตศาสตรวิทยาศาสตร์ภาษาหรือประวัติศาสตร์มากกว่ากันมีความสามารถหรือความถนัดในด้านใดบ้างชอบทำสิ่งใดมากกว่าสิ่งอื่นๆมีความสุขกับการทำสิ่งใดมากที่สุดถ้าหากเลือกได้อยากจะเลือกเป็นอะไรหรือประกอบอาชีพอะไรในชีวิตจากนั้น จึงนั่งลงใช้เวลาคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วนทุกแง่บุมเช่นสิ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษนั้นเป็นสิ่งที่เราจะสามารถทุ่นเทชีวิตลงไปอย่างเห็นคุณค่าเต็มที่ได้หรือไม่จะสามารถสร้างเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้หรือไม่สิ่งนั้นสอดคล้องกับศักยภาพความสามารถและความพร้อมด้านอื่นๆของเราหรือไม่ต้องจ่ายราคาหรือเสียสละสิ่งใดเพื่อเป้าหมายนั้นบ้างและเรายินดีมากน้อยเท่าใด ที่จะทำเช่นนั้นหากเราได้ใช้เวลาพินิฐ์พิเคราะห์พิจารณาถึงประเด็นต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบและจริงจังโดยรวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์และการศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเราก็จะสามารถมาถึงจุดที่ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเราจะเลือกสิ่งใดเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนั่นหมายความว่าเราจะเลือกเป็นอะไรและประกอบอาชีพอะไร เราจะทำสิ่งใดในชีวิตระยะยาวซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยึดติดกับเป้าหมายนั้นไปตลอดแต่เราสามารถที่จะทบทวนปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนั้นได้ตามความเติบโตของความรู้ความเข้าใจรวมทั้งความสนใจที่ได้เปลี่ยนไปได้เสมอถ้าหากเราเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามีความหมายสำหรับเรามากกว่าเป้าหมายเดิม ถึงแม้ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะไม่มั่นคงถาวรบ้างสำหรับบางคนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดการมีเป้าหมายย่อมดีกว่าการไม่มีเป้าหมายอย่างแน่นอนการเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมายย่อมดีกว่าการเดินไปอย่างล่องลอยเปะปะไร้ทิศทางอย่างไม่ต้องสงสัยเป้าหมายสูงสุดในระยะยาวซึ่งเกิดขึ้นจากการประเมินยางถูกต้องถ่องแท้ในประเด็นเรื่องความรักความชอบ ความสนใจความถนัดความพร้อมความสุขความอิ่มเอิมภาคภูมิใจในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะทําในชีวิตจะนํามาซึ่งความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เพราะจะทําให้เราสามารถทุ่มเทอุทิศตัวได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จแห่งเป้าหมายนั้นเนื่องจากเราได้ทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทําได้ดีและมีความสุขทั้งยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเราอย่างแท้จริง เป็นนังคำกล่าวของนโปเลียนฮิลซึ่งกล่าวไว้ในหนังสือกฎแห่งความสำเร็จว่าท่านจะบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อท่านได้พบงานที่ท่านชอบมากที่สุดเนื่องจากมันเป็นข้อเท็จริงที่รู้กันดีว่าคนเราย่อมจะบรรลุผลสำเร็จได้ดีที่สุดเฉพาะในงานที่เขาทุ่มเทลงไปทั้งหัวใจและวิญญาณการตั้งเป้าหมายระยะสั้นสิ่งที่เราทาต่อมาหลังจากที่ได้เป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด คือการซอยเป้าหมายนั้นออกมาเป็นเป้าหมายย่อยๆซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเติมต่อให้เป้าหมายระยะยาวไปถึงความสำเร็จเป้าหมายย่อยๆเหล่านี้ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายใหญ่นั้นคืออะไรและแต่ละคนมีรายละเอียดของชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไรคนที่มีเป้าหมายระยะยาวว่าจะเป็นนักบินก็ต้องตั้งเป้าหมายในการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีส่วนช่วยบำรุงสายตาฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วฝึกว่ายน้ำจนสามารถว่ายได้อย่างดีเตรียมความพร้อมด้านวิชาความรู้ที่จําเป็นเช่นวิชาด้านการคํานวณเพื่อจะสามารถสอบเข้าสถาบันการฝึกบินได้คนที่มีเป้าหมายระยะยาวว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องตั้งเป้าหมายที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างดี เพื่อจะสามารถมีพื้นฐานความรู้ที่จะก้าวไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้โดยอาจตั้งเป้าหมายที่จะสอบเข้าเรียนในสาขารัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์รวมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประธานนักศึกษาเพื่อฝึกฝนบทบาทความเป็นผู้นําหรือผู้บริหารได้อย่างดีตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านการเมืองการปกครองกฎหมายการบริหารเศรษฐศาสตร์จนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะด้านการพูดบุคลิกภาพการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษจนเชี่ยวชาญตั้งใจฝึกฝนตนในด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจะสามารถเป็นผู้นําประเทศที่มีคุณค่าในภายภาคหน้าตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสรรคผลงานจนมีชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมตั้งเป้าหมายที่จะอาสาตัวเข้ามารับใช้ชาติในบทบาททางการเมือง พิสูจ์ตัวด้วยการรับผิดชอบบทบาทหน้าที่อย่างดีที่สุดซื่อสัตย์สุจริตแล้วก้าวขึ้นบันไดาการเมืองทีละขั้นทีละขั้นก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายอันทรงคุณค่าได้ในที่สุดนอกจากการวางเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นอย่างชัดเจนจะทำให้เรารู้ว่าควรบริหารเวลายอย่างไรและยังทำให้เรารู้ว่าเราควรจะจัดการกับรายละเอียดต่างๆในชีวิตอย่างไรด้วยเช่นกันอาทิเราควรจะทาอะไร หรือไม่ทําอะไรในชีวิตเราควรจะพาตัวไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดหรือบุคคลใดและควรจะถอยออกห่างจากสิ่งใดหรือคนประเภทใดบ้างควรจะจัดระบบระเบียบในชีวิตอย่างไรจึงจะเอื้ออํานวยต่อความสําเร็จของเป้าหมายได้ดีที่สุดและควรจะเลือกคบเพื่อนแบบใดควรจะเริ่มต้นคบเพื่อนต่างเพศแบบคู่รักเมื่อใดจะแต่งงานกับคนประเภทใดเมื่อไรควรจะมีบุตรเมื่อใดและจำนวนเท่าไหร่ทิ้งช่วงห่างมากน้อยเพียงไร ควรจะเล่นกีฬาประเภทใดควรเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมหรือสมาคมใดควรจะพักอาศัยอยู่ในย่านใดควรจะอ่านหนังสือหรือรับนิตยสารประเภทใดควรรับหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ้างควรเก็บเงินออมเดือนละเท่าไหรควรเลือกสวมเสื้อผ้าประเภทใดสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งดูเหมือนว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่มีความสําคัญอะไรมากนักแต่แท้จริงผมคิดว่า ถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึง้งจะพบว่าความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตก็มาจากการประสานประกอบกันอย่างเหมาะเจาะลงตัวของรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ในชีวิตนั่นเองเขียนสิ่งที่ต้องทําทั้งหมดเมื่อเราได้เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวแล้วเราก็จะคืบหน้าเข้าสู่ขั้นตอนสําคัญต่อไปนั่นคือการเขียนกิจกรรมทั้งหมดที่เราจําเป็นต้องทําออกมาเพื่อความชัดเจนและเพื่อไม่ให้ตกหล่นไปในบางเรื่อง กิจกรรมที่เราจะเขียนได้นั้นควรจะครอบคลุมแง่มุมทุกด้านในชีวิตทั้งด้านชีวิตส่วนตัวครอบครัวการทำงานมิตรภาพความรักกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นต้นทั้งนี้เพื่อการบริหารเวลาและการบริหารชีวิตของเราจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้านอย่างแท้จริงสาหรับในภาคปฏิบัติเราสามารถทาได้โดยการเริ่มต้นจากการเขียนหัวข้อใหญ่ก่อน เช่นกิจวัตรประจำวันงานประจำงานอดิเรกเวลาพักผ่อนต่อมาจึงเขียนกิจกรรมที่ต้องทำในหัวข้อเหล่านั้นออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ขั้นตอนการเขียนรายละเอียดกิจกรรมนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากพอสมควรแต่แม้ว่าจะเขียนออกมาไม่ได้ทั้งหมดทุกเรื่องในคราวเดียวเราก็สามารถเพิ่มเติมในภายหลังได้การที่ต้องเขียนทุกกิจกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้นั้น ก็เพื่อประโยชน์ของเราเองในการเห็นภาพรวมชัดเจนว่าเรามีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายเพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่เรามีอยู่ยิ่งเราเขียนกิจกรรมออกมาได้มากเท่าใดเราก็ยิ่งวางแผนบริหารเวลาได้สมจริงสมจังมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากแต่และกิจกรรมต้องใช้เวลาในการทำทั้งสิ้นเราจึงไม่ควรที่จะมองข้ามแม้แต่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆสักกิจกรรมเดียวเริ่มต้นโดยการนากระดาษหลายๆแผ่นมา เขียนแต่ละหัวข้อใส่กระดาษแต่ละแผ่นแล้วค่อยๆนึกถึงกิจกรรมที่เราต้องทําในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละไตรมาสแต่ละปีรวมไปถึงกิจกรรมที่เราวางแผนว่าจะทํากิจกรรมที่เราต้องทําเป็นพิเศษเจาะจงในบางเวลาและกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดในอนาคตนั่นคือเราต้องพยายามเขียนออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และกิจกรรมใด ที่เราไม่สามารถลงในหัวข้อหลักข้างต้นได้เราก็อาจลงไว้ในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแยกต่างหางออกมาแล้วจึงค่อยนำไปพิจารณาเขียนลงในตารางเวลาภายหลังข้อควรระวังสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องตระหนักว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมด้วยอย่าลงเฉพาะเพียงช่วงเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริงเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่ากิจกรรมบางประเภทต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมาก อาจเป็นระยะเวลาหลายๆวันหรืออาจเป็นเดือนหรือมากกว่านั้นนอกจากนั้นเราต้องจัดเวลาสําหรับการพักผ่อนให้เพียงพอโดยพยายามจัดเวลาเข้านอนให้เป็นเวลายกเว้นบางวันที่ต้องทํางานหนักอาจต้องใช้เวลาพักผ่อนมากขึ้นตามความเหมาะสมเรียงลําดับความสําคัญก่อนหลังเนื่องจากเราไม่มีเวลาเหลือเฟือที่จะทํากิจกรรมทั้งหมดที่เราเขียนออกมาได้อีกทั้งแต่ละกิจกรรมก็มีความสําคัญที่แตกต่างกัน และต้องการคุณภาพของเวลาที่ต่างกันดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเราจึงต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมว่ากิจกรรมใดเป็นสิ่งที่จำเป็นมีความสำคัญเป็นอันดับต้นและต้องการคุณภาพของเวลาระดับใดกิจกรรมใดที่มีความสาคัญน้อยมากสามารถตัดทิ้งได้หรือลดทอนเวลาลงได้การทาเช่นนี้จะทาให้เราสามารถบริหารทั้งปริมาณและคุณภาพของเวลา ในการทำสิ่งต่างๆอย่างคุ้มค่าไม่สิ้นเปลืองเวลาไปกับสิ่งที่มีความสำคัญน้อยหรือสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นมากจนเกินไปจนทำให้พลาดสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปยังไม่ควรจะเป็นในการเรียงลําดับความสำคัญของกิจกรรมทั้งหมดที่เราเขียนขึ้นมานั้นเราสามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆได้ดังต่อไปนี้กิจกรรมที่มีความสำคัญระดับสูงเราอาจจะใช้ตัวย่อว่าซสเสีย กิจกรรมที่มีความสําคัญระดับกลางอาจจะใช้ตัวย่อว่าต่อไก่กิจกรรมที่มีความสําคัญระดับต่ําอาจใช้ตัวย่อว่าต่อเต่าการพิจารณาว่าเราจะให้ความสําคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยเพียงใดนั้นดูได้จากปัจจัยอย่างน้อยสี่ประการต่อไปนี้คุณค่าของงานสําหรับบางคนกิจกรรมหนึ่งอาจมีคุณค่ามากกว่าอีกคนหนึ่งเราจึงไม่ควรเรียนแบบ ว่าเขาให้คุณค่ากิจกรรมแต่ละอย่างของเขาอย่างไรต้องคิดด้วยตนเองโดยพิจารณาเป้าหมายของชีวิตและสิ่งที่เรารับผิดชอบประกอบกันไปความเร่งด่วนแท้จริงแล้วโดยส่วนใหญ่งานหรือกิจกรรมที่มีความเร่งด่วนมากมักเป็นสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนมา ก, ก่อนแต่เราต้องเปรียบเทียบให้ดีกับกิจกรรมที่เราวางแผนไว้ก่อนแล้วว่ากิจกรรมใดสําคัญกว่ากันที่จะต้องทําในเวลานั้นบางครั้งหากพิจารณาให้ดี สิ่งที่ดูเหมือนว่าต้องทำอย่างเร่งด่วนนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่ต้องกระทำในช่วงเวลานั้นก็เป็นได้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานกิจกรรมที่มีขั้นตอนในการปฏิบัติมากเราต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าบางขั้นตอนอาจต้องใช้เวลามากบางขั้นตอนใช้เวลาน้อยบางขั้นตอนสามารถทำได้เพราะกับกิจกรรมอื่นการมอบหมายความรับผิดชอบเราจำเป็นต้องรับผิดชอบลงมือทำเอง หรือสามารถให้คนอื่นทำแทนได้กำหนดความถี่ในการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมกิจกรรมแต่ละประเภทต้องการเวลาแตกต่างกันไปการที่เราวางแผนบริหารเวลาไว้โดยให้เวลาแต่ละกิจกรรมอย่างเท่าเท่ากันเราจะไม่สามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมจำนวนมากที่ต้องอาศัยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องบางเรื่องเราต้องทำตลอดชีวิต มีเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่เราทำเพียงครั้งเดียวเสร็จเราจึงต้องมานั่งพิจารณาดูว่าแต่และกิจกรรมที่เราเขียนออกมาต้องทำบ่อยครั้งเพียงใดโดยการที่เราเขียนออกมาตามความเป็นจริงและความเหมาะสมถ้ากิจกรรมใดต้องการเวลามากเราต้องให้เวลากับกิจกรรมนั้นมากตามสัดส่วนอย่าให้เวลามากกับบางกิจกรรมบนพื้นฐานความพึงพอใจของเราหรือแรงกระตุ้นจากสถานการณ์หรือคนรอบข้างเท่านั้น ในภาคปฏิบัติเราจะนำกิจกรรมทั้งหมดที่ลงความสำคัญสูงกลางและต่าเรียบร้อยแล้วมาลงความถี่ในการปฏิบัติโดยตั้งหน่วยของความถี่ให้เป็นหน่วยเดียวกันหมดเพื่อง่ายต่อการพิจารณาเช่นตั้งความถี่เป็นจำนวนครั้งต่อวันจำนวนครั้งต่อสัปดาห์หรืออาจจะละเอียดถึงขนาดชั่วโมงต่อครั้งเป็นต้นเขียนตารางเวลา การเขียนตารางเวลาที่ดีควรจะมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งนี้เพื่อจะสามารถเห็นภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดที่เราลงในตารางเวลาได้อย่างครบถ้วนวิธีการลงกิจกรรมต่างๆในตารางเริ่มต้นจากการลงกิจกรรมที่เรารำดับความสำคัญระดับสูงในตารางให้ครบก่อนต่อจากนั้นจึงพยายามลงกิจกรรมที่มีความสาคัญระดับกลางและต่ตามลาดับ พึงระลึกเสมอว่าเราอาจใส่กิจกรรมลงในตารางไม่ได้ครบทั้งหมดเนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดของเราอาจมีมากเกินไปแต่เราสามารถแก้ไขปัญหาโดยการจัดช่วงเวลาให้เหมาะสมขึ้นกิจกรรมบางอย่างอาจต้องใช้เวลาน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้กิจกรรมบางอย่างที่ต้องทําสัปดาห์ละครั้งอาจต้องทำสองสัปดาห์ต่อครั้งเป็นต้นเมื่อเราใส่กิจกรรมลงในตารางเรียบร้อยแล้วลองตรวจสอบดูอีกครั้งว่า มีกิจกรรมใดที่ลงเวลาไม่เหมาะสมบ้างหรือกิจกรรมใดที่ต้องเพิ่มเวลาหรือลดเวลาลงหรือไม่ช่วงเวลาใดที่เราลงเวลาให้กับการทำงานหนักเกินไปโดยไม่สมดุลกับเวลาที่ให้กับการพักผ่อนเพื่อตารางเวลาจะมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงไม่ได้วางไว้ให้ดูสวยงามเท่านั้นนอกจากนั้นเรายังต้องพิจารณ า, นานอีกด้วยว่า กิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมประเภทเดียวกันอาจใช้สีลงในช่องกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อให้เรามองเห็นตารางและสามารถแยกแยะประเภทออกได้ทันทีเช่นสีเหลืองสำหรับช่วงเวลาการทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สีเขียวสำหรับกิจวัตรส่วนตัวประจำวันสีฟ้าสำหรับการเดินทางเป็นต้นควบคุมตารางเวลา หลังจากที่เราได้ลงกิจกรรมทั้งหมดลงในตารางเวลาแล้วการควบคุมตารางเวลาเป็นขั้นตอนต่อมาที่มีความสําคัญยิ่งเพราะการไม่ควบคุมตัวเองในการทําตารางเวลาก็นับเป็นการเสียเวลาไปกับการวางแผนตารางเวลาอย่างไร้ประโยชน์เราจึงควรฝึกฝนที่จะบังคับตัวเองให้ทําตามตารางเวลาที่วางไว้แม้ในช่วงเวลาที่เราไม่อยากทําตามตารางก็ตามเช่นเมื่อเราเหนื่อยจากการทํางานกลับมาถึงบ้าน ตามตารางเวลาเราต้องซักผ้าทันทีเราอาจจะรู้สึกว่าอยากพักผ่อนแล้วไม่อยากซักผ้าแล้วแต่เราต้องฝึกตัวเองที่จะทําตามตารางเวลาให้มากที่สุดสุดความสามารถที่เราจะทําได้ไม่เชนั้นผ้าที่กองไว้ก็จะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นภาระหนักขึ้นไปทุกทีอย่าให้ปัญหาเพียงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราค่อยๆหันเหออกจากการทําตามตารางและตามความตั้งใจที่เราวางไว้ เราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะยกมือยอมแพ้ตัวเองอย่างง่ายดายเพราะการที่เราไม่รู้จักควบคุมตัวเองในเรื่องเล็กน้อยจะนําไปสู่การเพราะนิสัยขาดวินัยในชีวิตซึ่งจะนําผลเสียมาสู่ชีวิตของเราได้ในอนาคตแน่นอนที่กิจกรรมบางอย่างเราทําได้โดยไม่รู้สึกลําบากใจอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่สําหรับกิจกรรมที่เราไม่ชอบเราจะทําอย่างไรที่จะควบคุมตัวเองให้ทํากิจกรรมนั้นได้ ผมจึงอยากแนะนำว่าในภาคปฏิบัินั้นสิ่งใดที่เราปรารถนาจะทำจนเป็นนิสัยของเราเราต้องควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องประมาณ45วันแล้วสิ่งนั้นจะฝังลงไปในชีวิตของเราได้เช่นการตื่นนอนตอนเช้าเพื่อจะไปเรียนหรือทำงานให้ทัน8นาฬิกาเราต้องเริ่มคำนวณเวลาที่จะต้องใช้ทั้งหมดในการจัดการธุรษุนตัวและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เพื่อจะรู้ว่าเราต้องตื่นนอนกี่โมงถ้าต้องใช้เวลาในการจัดการธุระส่วนตัวประมาณ30นาทีในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงอย่างช้าที่สุดเราต้องตื่นนอนประมาณ6โมงครึจึงจะไปทันเข้าเรียนหรือเข้าทํางานพอดีพอดีแต่เราก็ควรจะเผื่อเวลาไว้สําหรับการจราจรที่อาจติดขัดอย่างรุนแรงไว้สักครึ่งชั่วโมงดังนั้นเราต้องตื่นตั้งแต่6โมงต่อจากนั้น เราก็มาคำนวณดูว่าโดยปกติเราใช้เวลานอนประมาณกี่ชั่วโมงโดยปกติ 5-6 ชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กก็อาจจะต้องมากกว่านั้นสักเล็กน้อยแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเป็นคนที่ใช้เวลานอนมากกว่านั้นเราต้องควบคุมตัวเองที่จะนอนให้ได้ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยช่วงแรกอาจจะต้องหานาฬิกาปลุกที่เรามั่นใจว่าจะได้ยินเสียงชัดเจน หรืออาจต้องรบกวนบางคนที่พักอยู่ด้วยกันช่วยปลู ก, กเรก่อนเป็นต้นอย่างไรก็ตามเราต้องตระหนักว่าเราอาจจะผิดพลาดล้มเหลวในการควบคุมตัวเองไปบ้างในบางครั้งเราจึงต้องไม่รู้สึกปรักปราำตัวเองมากเกินไปเมื่อเราทําตารางเวลาไม่ได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากตารางที่เราวางไว้เป็นเพียงแผนงานชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเราไม่รู้อนาคตทั้งหมดว่าจะเกิดอะไรแทรกขึ้นมาในตารางเวลาของเรา วางงแผนไ้้บถ้าสิ่งที่แทรกเข้ามานั้นเป็นเรื่องที่เราพิจารณาแล้วว่ามีความสําคัญและเร่งด่วนมากกว่ากิจกรรมที่เราวางแผนไว้ว่าจะทําในช่วงเวลานั้นก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วที่เราจะให้เวลาช่วงนั้นกับกิจกรรมเหล่านั้นแทนส่วนกิจกรรมที่ถูกยกเลิกไปนั้นเราควร น, นํามาพิจารณาในภายหลังว่าเรายังสามารถทําได้อีกหรือไม่ถ้าทําได้จะใช้ช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ประเมินผลและปรับปรุงแผนการใช้เวลาเมื่อเราได้ลองใช้ตารางเวลาสัปดาห์แรกผ่านไปเราควรมีโอกาสประเมินผลดูว่าแผนการใช้เวลาที่เราได้วางไว้สามารถทําได้จริงมากน้อยเท่าใดกิจกรรมใดที่เราทําสําเร็จตามที่วางไว้กิจกรรมใดที่ทําแล้วแต่ยังไม่สําเร็จกิจกรรมใดที่เราไม่ได้ทําเลยเพื่อเราจะมีโอกาสค้นหาสาเหตุว่าทําไมเราจึงทาสําเร็จหรือทําไม่สําเร็จ เราจะหาทางแก้ไขป้องกันหรือพัฒนาปรับปรุงตารางเวลาต่อไปอย่างไรบ้างการประเมินผลการใช้เวลาส่วนตัวของเราเองจะเป็นประโยชน์อย่างมากการที่เราทำตารางเวลาที่เราได้วางไว้โดยไม่ประเมินผลเลยว่าเราใช้เวลาไปอย่างไรก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนที่สมบูรณ์และในที่สุดเราจะกลับใช้เวลาเหมือนอย่างที่เราเคยทามาในอดีตจนในที่สุดเราจะรู้สึกว่า ตารางเวลาไม่เป็นประโยชน์อะไรสําหรับเราอีกต่อไปเราจึงควรประเมินผลการใช้เวลาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้มีโอกาสประเมินผลทุกๆสัปดาห์เราจะสามารถป ร, ปรับปรุงการใช้เวลาให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวแท้จริงการปรับปรุงแผนการใช้เวลาไม่ต้องใช้เวลามากนักเช่นเราอาจจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนวันอาทิตย์ก่อนนอนหรื อ, ออาจจะใช้เวลาเช้า ว, วันจันทร์สักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก่อนเริ่มทํางาน อย่างไรก็ตามการปรับปรุงแผนการใช้เวลาเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยการใช้ความคิดพิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบด้วยเช่นกันเนื่องจากคนส่วนใหญ่เมื่อได้ประเมินผลแล้วและเห็นว่ากิจกรรมใดที่เขาทำแล้วแต่ไม่สำเร็จหรือไม่ได้ทำเลยหากกิจกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบที่จะทำอยู่แล้วก็มักจะด่วนสรุปว่ากิจกรรมนั้นๆไม่สมควรที่จะทาอีกต่อไปเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทา หรือทำไม่สำเร็จก็ไม่เห็นว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่อย่างใดเช่นการท่องจำคำศัพท์การออกกำลังกายเราจึงควรตระหนักและเหล็กเลี่ยงกับดักนี้ไว้ให้ดีสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเราต้องประเมินผลอย่างสัต์ซื่อต่อตัวเองเคารพตารางเวลาที่เราได้เริ่มต้นคิดพิจารณาและวางแผนไว้อย่างดีแล้วในตอนแรกถ้าเราไม่ได้ทากิจกรรมใดหรือทาได้ไม่สาเร็จ เราควรจะพิจารณาอย่างจริงจังว่าเรามีเหตุผลที่ดีพอในความบกพร่องนั้นหรือไม่สิ่งนั้นเกิดขึ้นจากความอ่อนแอที่ไม่ควบคุมตนเองอย่างเต็มที่สุดความสามารถใช่หรือไม่และเราควรจะหามาตราการมาช่วยให้ตัวเองสามารถทำตามตารางเวลาได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างผมอยากจะขอให้กำลังใจทุกคนที่ใฝ่หาความสำเร็จในชีวิตว่าพอเพียงเราค้นหาเป้าหมายที่มีคุณค่าสูงส่งต่อจิตใจให้พบ เติมความมุ่งมั่นตั้งใจใส่ลงไปและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะควบคุมวินัยไว้ให้ได้แม้อาจล้มลุกคลุกค ล, ลานไปบ้างในบางครั้งแต่ตราบที่ความตั้งใจยังตั้งมั่นไม่สิ้นสุดความสําเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแท้จริงแน่นอนครับ